พบพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์บุตรของนางปัทธุมวดีต่อมาหัวหน้านางทาสีเกิดในเรือนของหัวหน้าช่างทอหูพอผ้าโดยใช้เครื่องมือพื้นเมืองไม่ไกลจากกรุงพรารณสีวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าจำนวน500องค์ซึ่งเป็นบุตรของนางปัทธุมวดีอ่านพระเจ้าพรารณสีนิมนต์ไว้มาถึงประตูพระราชนิเวศแต่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 พระชาติสุดท้ายเป็นพระมาตุจฉาบุตรสาวของช่างทอหกนั้นมาเกิดในเรือนของพระเจ้ามหาสุปปุทธะแห่งกรุงเทวธาหะแต่บาลีอปทานว่าเป็นที่ดาของพระเจ้าอัญชนาสักยะกับพระนางสุลักนาส่วนทาสีอีกห0 0รก็เกิดในตระกูลสักยะพระประยุลญาถวายพระนามว่าโคตมี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 พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมพระราชาทรงได้บรรลุโสดาปติพน์วันที่สองของการเสด็จนิวัตรทรงให้นันทกุมารผู้เป็นพระอนุชาถือบาตรตามทรงถึงที่ประทับและทรงให้นันทะอุปสมบทวันที่7ทรงให้ราหุลกุมารบรรพชาเป็นสัมมณเณรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากกรุงกบิลพั์แคว้นสักกะ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 ให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลเ็ให้แก่พระสกทาคามี 8. แให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 9. ให้แก่พระโสดาบันสิบให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสิบเอ็ให้แก่ท่านผู้ปราสจากความกําหนัดในการภายนอก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 3. ในภิกษุสงฆ์สี่ในภิกษุณีสงฆ์ห้าทักษิณาที่เจาะจงภิกษุหรือภิกษุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้จากสงฆ์คือสงฆ์เป็นผู้จัดให้ 6. ทักษิณาที่เจาะจงภิกษุเท่านั้นเท่านี้จากสงฆ์ 7. ทักษิณาที่เจาะจงภิกษุณีเท่านั้นเท่านี้นานนจากสงฆ์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 3. เป็นไปเพื่อความสะสมไม่เป็นไปเพื่อความไม่สะสม 4. เป็นไปเพื่อความมักมากไม่เป็นไปเพื่อความมักน้อย 5. เป็นมไมเปนเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็น sí ไปเ um. พื่อความสันโดษ 6. เป็นไปเพื่อความคลุกคลีหม <S <S <S ู <S <S> ่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัด 7. เป็นไปเพื่อความเกียรติคร้านไม่เป็นไปเพื่อความปรารบความเพียร